ทนาอย่างไรเอ้ถลงพ่อครับอกูบาองค์เนี้ยท่านองค์เนี้ยดูดูแล้วมาอยู่กับหลวงพ่อนมนานดูแล้วคิดเกียดปัดกวาดอีกต่างหากดูแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะถูกต้องผมว่าอให้หลวงพ่อไปดูดูซิเนี่ยที่พักของพระอกูบาองค์เนี้ยเป็นยังไงฮอผมก็จะได้ไปดูดูว่าเป็นยังไงมันจริงไหม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 หรือพระ อ, อุปช า, าพระพระใหม่ก็ต้องเข้ามาต้องอยู่ศึกษ า, าจนถึง5ปีจึงหวนนิสัยมุตตะกะแปลว่าเป็นผู้ใหญ่เลี้ยงตัวได้มองตูได้รู้อันไหนผิดอันไหนถูกรู้ท่นี่เพราะเหตุไรเพราะอยู่กับครูบาอาจารย์ใหญ่กับพ่อกอกับครูนะ่ะอันนี้แหละคือพระวินัยของพระพุทธเจ้านี่นี่แหละคือความเป็นมาของวิ น, นัยเพราะนั้น